ลำดับนั้นนกกระทาและช้างพลายถามลิงว่าเพื่อนจำเรื่องราวเก่าๆอะไรได้บ้างลิงตอบว่าเมื่อเราอย่างเล็กเราเคยนั่งบนพื้นดินเคี้ยวกินยอดไซตต้นนี้เราจำเรื่องเก่านี้ได้ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้น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 ข้อปฏิบัตินี้เรียกว่าติดตริยะพรหมจรรย์นรชนเหล่าใดฉลาดในธรรมประพฤตอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้เจริญทั้งหลายนรชนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการสันเสริญในปัจจุบันและมีสุขติพบในเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศตามลำดับพรรษาอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกีดกันเสนาสนะของสงฆ์ตามลำดับพรรษา รูปใดกีดกันต้องอาบัตทุกกฎ